ในริปกรณ์ช่วงนี้มาถึงอวต า, าระเนี่ยนะอวต า, าระซึ่งเป็นการหมุนธรรมะทั้งฝ่ายสภาคะและวิสภาคะหรือพูดแบบไทยๆเราก็คือพลิกเนะคือเป็นคนที่มีความคิดหรือมุมมองทั้งเรียกว่ามืดกับสว่างก็ต้องฝึกคิดอย่างี้เถ้ามืดคู่กับอะไรกับสว่างถ้าร้อนก็คู่กับ เยน็นดำก็คู่กับขาวสภาคะก็คู่กับวิสภาคะนะคือตรงกันข้ามสภาวะเช่นแท้สภาคะของผู้ชายคือใครสภาคะของผู้ชายคือผู้ชายวิสภาคะของผู้ชายคือผู้หญิงสภาคะของผู้หญิงก็คือผู้หญิงด้วยกันวิสภาคะของผู้หญิงก็คือ ผู้ชายวิสภาคะแปลว่าส่วนที่ไม่เสมอกันสภาคะแปลว่าส่วนที่เสมอการนั้นก็มาแยกเป็นธรรมะฝ่ายดำฝ่ายขาวแล้วก็วัตตะกับวิวั ต, ตะนั้นก็เป็นการหมุนธรรมะประเภทมองทั้งสองฝ่ายนั่นนะมาพูดแบบถ้าสิ่งที่ถ้าตรงกันข้ามกลับไปคืออะไรคือมาอ น, นะพวกที่ฝึกคิดในลักษณะนี้บ่อยๆจะดีทีนี้ย้อนมาถึงใน อาวัตตหาระซึ่งเป็นการหมุนธรรมะทั้งสภาคะและวิสภาคะแต่การหมุนทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่การรู้อริยสัจสเนี่ยนะก็การหมุนทั้งหมดก็อยู่ที่อริยสัจนั้นก็หมุนธรรมะทั้งที่ฝ่ายเป็นโลกิยะกับฝ่ายที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะก็มาทีนี้การหมุนเนี่ยนะก็ต้องหมุนอย่างที่ผู้การกล่าวก็ ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงนะคือกล่าวว่าอุกการานะกล่าวคือสมมุติถ้าเราคิดกุศลวิตกมีผลยังไงถ้าตรึกในเรื่องบุญให้มากๆกุศลให้มากๆเป็นยังไงในตรงกันข้ามถ้าเป็นนึกเรื่องอกุศลเยอะๆดูสิแล้วผลต่อไปจกมีอย่างไรนะก็มาฝึกคิดในลักษณะนี้นี่แหละคือการมองอวะตะหาระควบคู่กับประฐานะหาระนี่นะ ก็ลองมามาคิดดูนะถ้าเราคิดกุศลวิตกมากๆมีผลอย่างไรตรงกันข้ามถ้าเราคิดอกุศลวิตกมากๆจกมีผลต่อไปอย่างไรอันนี้นี่พูดถึงสังกัปปะเนี่ยนะทิฏฐิก็เหมือนกันถ้าคิดทิฏฐิมากๆมีผลอย่างไรอนะที่เป็นสัมมาทิฏฐินะคิดมิจฉาทิฏฐิมากๆจะเป็นอย่างไรก็มองในฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเจริญมิจฉามากักผลเป็นอย่างไรถ้าเจริญสัมมามักผลเป็นอย่างไร นะก็เป็นการหมุนธรรมะเหล่านี้ให้เป็นไปตามแนวประทัศฐานะหาระนั่นเอ ง, นนะงการคิดธรรมะก็ไม่ควรเนี่ยนะคิดทั้งฝ่ายดําและฝ่ายขาวก็ลองดูว่าผลของการตรึกอกุศลวิตกมากๆเป็นยังไงก็ทั้งสองฝ่ายเลยนะก็ลองสายใจว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยนะย้ำอยู่อย่างนี้มากเข้ามากเข้า ย้ำว่าเสียหายนะเสียหายนะเสียหายนะย้ำอยู่บ่อยๆนะสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นทั้งกุศลและอกุศลในยะเดียวกันเลยคิดอกุศลมากจิตก็จะโอนไปทางอากุศลมากถ้าคิดไปในทางกุศลมากก็โอนไปในทางนั้นพันคนที่จะเจริญกุศลธรรมระดับสูงได้นะี่นะจะต้องแยกทั้งสองส่วนนี้ออกถ้าไม่งั้นเจริญไม่เป็นหรอกถ้าพูดแบบสติปัฏฐานก็คือแยกโทษชงกับนิวณ์ให้ออก อย่ Monate, war, นัว่าถ้านิวรณ์กลุ่มรุมแล้วผลมันเป็นยังไงอันิั้นนิวณ์นี่มันมีอะไรเป็นอาหารนิวรณ์จะละได้อย่างไรถ้าพอกพูนมากๆถ้านิวรณ์นิวรณ์มันเต็มแล้วอะไรเต็มอวิชาก็เต็มถ้าวิชาเต็มเปี่ยมอะไรเต็มภวะตันหาก็เต็มถ้าภาวะตันหาเต็มอะไรเต็มนนภาวะตันหาเกิดขึ้นเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมี พราะเป็นปัจจัยจึงมีชาติก็นําไปสู่ชรามรณะโศกะปริเทววัตทุกขไม่มีจบมีสิ้นก็ก็เป็นไปยอย่างนี้ทีนี้ถ้าเจริญโพชงมากๆล่ะอะไรเกิดอนะันนก็วิชากับวิมุติเกิดถ้าวิชาวิมุติเกิดอะไรเกิดอนะันนก็อนุ ป, ปาทานนิ ป, ปรินิพานก็จักบริบูรณ์ทันที่สุดแห่งวัตทุกก็จักมีได้นั้นก็ต้องฝึกน้อมฝึกคิดพิจารณาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่าย ฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายดำฝ่ายขาวฝ่ายสัจจะที่เป็นโลกิยะและโลกุตระแล้วก็สาวหาประทับฐานเนี่ยนะการพิจารณาก็มองขึ้นแล้วก็มองลงโอรุยหารุยห่าอารุยหารุยห่เนี่ย น, นะคิดขึ้นคิดลงย้อนขึ้นย้อนลงนะเป็นการทบทวนพวกนี้มันทบทวนนามธรรมนะมันไม่ใช่ลักษณะของรูปธรรมไปยังไงมายังไงเจริญยังไงทไําให้เจริญแล้วดียังไงอะ คือเห็นว่าธรรมะนั้นสามารถตรวจสอบได้หมดเลยจริงๆนะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดชีวิตที่เราเป็นตปยเนี่ยนะตรวจสอบตามหลักคำสอนได้หมดเลยซึ่งรู้ได้เลยว่าเจริญหรือเสื่อมอนะกำลังเจริญกำลังปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยกำลังเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเราตรวจสอบได้เลยโดยที่ใช้คำสอนเป็นเครื่องตรวจสอบแนวโน้มว่ากาลังเจริญขึ้นหรือกาลังเสื่อมลงลก็ทบทวนเอากันแล้วกัน ที่การหมุนธรรมะลักษณะนี้ส่วนใหญ่เขาก็ยกพุทธพจน์นะมาเป็นเครื่องหมุนต้องเอาพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นตัวตั้งก่อนพระมหากระจายนะท่านก็มาหมุนให้ดูหลายสูตรด้วยกันที่ยกคาถาว่าท่านจงพยายามจงออกจากความเกียดคร้านจงหมั่นเพียรในคำสอนของพระพุทธเจ้าจงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชดุดช้างทาลายเรือนที่ทาด้วยไม้อ้อฉนั้นแล้วก็เอามาหมุนเวียนพลิกแปลงกันไป ว่าเป็นไปตามหลักการอย่างไรในพระธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นทีนี้มาดูในหน้าห6หเนี่ยนะหน้า56เนติปกรณ์คาถาข้างล่างสุดท้ายว่ากุศลธรรมย่อมรักษาบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ช่วยกันฝนในเวลาฝนตกฉะนั้น นี้เป็นอนิสง์ในธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติคาถานี้ยกมาหลายแห่งแล้วใช่ไหมหน้าสิอก็ยกมาหน้า43สาก็ยกมาก็ยังยกมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งดูหน้าสิอหน้า4 3่านี่จะมีคาถานี้อยู่แต่ว่าอธิบายคลยานละอย่างมันก็แสดงว่าสิ่งเดียวสามารถอธิบายได้หลายมุมมองก็อย่าลืมว่าพุทธพจน์เนี่ยนะ จะพิสดารกว้างขวางก็เอาหาระเนี่ยมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบนั้นทุกคถาเนี่ยคูณด้วยหาระสิบได้หมดเลยทุกพุทธพจน์เนี่ยนะที่บอกว่ากุศลธรรมย่อมรักษาบุคลคลกู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยนะก็ใครที่มีปกติประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสุจริตธรรมสุจริตธรรมคือกุศลกรรมบทหรือว่าโพธิปักิยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะ ใครที่ใครที่รักษาธรรมะเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้จะรักษาบุคคล น, นั้นนะนะธรรมะรักษารักษาอย่างไง ร, รักษาเหมือนกับถ้ารถที่มีหลังคานะสมัยนี้ก็เหมือนกับรถที่มีหลังคาหรือร่มที่กันฝนได้กันฝนกฝนักนแดดได้เป็นอย่างดีพระธรรมที่บุคคลประพฤติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมบดหรือโพธิปัจขยธรรมก็ปกปัก ร, รักษาไม่ให้บุคคล น, นั้นไปสู่ทุคติ ในขณะเดียวกันนะถ้าประพฤติอากุศลกรรมนะนะประพฤติอากุศลธรรมเนี่ยรักษาบุคคลนั้นเอาไว้ให้อยู่ในอบายได้นานๆปิดสุขคติเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะถ้ามองในยะตรงกันข้ามดูนะอากุศลธรรมย่อมรักษาบุคคลผู้มีปกติประพฤติอาธรรมไม่ให้ไปสู่สุขคติถ้าประพฤติอากุศลธรรมมากเท่าไหร่ทุกติก็ก็เป็นอันห่างเหิน เข้าไปเท่านั้นเท่านั้นนะนีทุกขติเนี่ยเฝ้าอยู่นั่นแหละสุ ข, ขติไม่ต้องหวังแล้วถ้าประพฤติอาโกศลธรรมมากๆมากๆากเมอยเมื่อวานเนี่ยบ่อหนาๆนะกี่ตัวนับไม่ได้นะประเทศไทยทั้งหมดย่อยเหลือบ่อเดียวก็ได้นะก็มากจริงๆนะคือที่มากก็คือเมื่อวานก็ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่ากันน่ะนะก็บ่อ น, นั้นเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเต็มไปหมดเลยนั่นแหละ ผู้ที่รักษากุศลธรรมก็ไม่รักษาสุดจริตธรรมกุศลกรรมบดผู้ที่ปัจจัยธรรมเป็นต้นไม่ตกไปในบอ่อนั้นเป็นแน่แต่ถ้ามูซาทั้งหลายถ้าประพฤติอกุศลกรรมบดเป็นต้นตกไปสู่ที่นั้นแล้วออกยากนักนะเป็นคุกที่ใหญ่มากเดราชาเนี่ยนะเป็นคุกที่ใหญ่จริงๆถ้าลองโมหะกลุ่มรๆซะอย่างเดียวนะออกยาก น, ยนะก็ลองที่เรียกว่าจับให้ให้เพี้ยนให้บ้าซะ ให้โง่เง่างม ง, า, งายเลยนะถามว่ามันจะไปยังไงชีวิตหรือเหมือนกับว่าคนที่เดินทางเป็นถ้าทำตาให้บบาตั้อย่างเดียวจะเป็นยังไงทันถ้าเรามามองดูว่าผู้ที่ประพฤติทำเนี่ยผลเป็นยังไงก็ฝึกมาคิดสองฝ่ายนี่ให้ดีๆถ้าใครแยกสองส่วนเหล่านี้คือกุศลอกุศลผลของกุศลอกุศลถ้าตรงนี้ไม่แม่นยำนะไม่สามารถประพฤติสุจริตตลอดชีวิตได้หรอก ถ้าไม่มั่นคงในเรื่องนี้จริงๆเพราะการการปฏิบัติตรงนี้อยู่ที่สามัญสำนึกไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่คำสั่งไม่ได้อยู่ที่ใคระนะบางคนเนี่ยประพฤติดีอยู่ต่อเมื่อ ย, ยังไม่รับคำสั่งควบคุมนั่นแสดงว่าไม่ยังไม่เห็นคุณของความดีไม่เห็นโทษของความชั่วแต่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะที่เป็นสาวกของพระองค์จริงๆนั้นอนะ่ะอยู่ที่ไหนจะไม่ทาชั่ว เพราะสามัญจสํานึกในความชั่วท่านเห็นโทษท่านเห็นโทษราคะโทสะโมหะท่านเห็นโทษของการล่วงอกุศลกรรมโดยประการทั้งปวงเพราะท่านถือว่ามันมีโทษมันให้ผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะบอกบุญบอกบาปบอก เ, อเหตุบอกผลให้เราทราบมันเมื่อท่านรู้โทษของบาปอากุศลท่านก็เลยสังวรสํารวมระวังเต็มที่ทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ยังประพฤติล่วงอกุศล บ, บ่อยๆก็แสดงว่า วินิจฉัยในเรื่องผลบุญผลบาปน้อยไปหรือเข้าใจตัวบุญตัวบาปน้อยไปถ้าใครรู้ผลรู้ผลกรรมเท่ากับพระพุทธเจ้ารู้รู้ผลแห่งการให้ทานเท่าพระพุทธเจ้ารู้ใชถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนไม่บริโภคอันนี้ถ้ารู้ผลของการให้ทานเท่าพระพุทธเจ้านะพองบอกว่าเธอทั้งหลายอยากลัวต่อบุญเลยบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเจริญเมตตาเนี่ยมันมีเป็นบุญอย่างมาก การรักษาศีลก็เหมือนกันถ้าใครรู้ผลแห่งศีลที่จะไม่รักษาศีลไม่มีหรอกผลแห่งสมถวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าผู้ใดรู้ผลจริงจะต้องเจริญแน่นอนถ้าใครรู้โทษแห่งบาปอากุศลจริงเขาจะไม่ยอมประพฤติบาปโดยประการทั้งปวงสมมุติถ้าเราไปเห็นยาพิษที่ใส่น้าใสๆเป็นคนหิวกระหายมาทั้งวันเลยนะ ไปเห็นยาพิษอยู่แก้วหนึ่งสีก็สวยรสก็หวานแต่เป็นยาพิษชนิดร้ายแรงกล้าเนี่ยถามว่าเราจะดื่มหรือเราจะยอมกระหายต่อไปอะไรยังไงดีไม่เดิมนะขอหิวต่อไปก็แล้วกันเหมนนเะขอกระหายต่อไปก็ยังพอทนทุกแค่นี้มันสู้มันไม่ได้มีทุกโทษเท่ากับเดิมยาพิษแก้วนั้นหรอกเนี่ยนไม่ได้เท่ากับเดิมยาพิษบาปก็เหมือนกันบุคคลผู้บริโภคบาปทั้งหลาย เนี่ยนะก็เร่าร้อนกระวนกวายในขณะนั้นด้วยหลังจากนั้นด้วยแล้วก็กระวนกวายในวัตะไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเราไปเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ดิ้นเรา่าเราเกิดจากประสบอุบัติเหตุหรือเกิดจากอะไรก็ตามให้รู้เถอะว่านั่นเป็นผลของการดื่มยาพิษมาเนี่ยนะถ้าเราทั้งหลายจักบริโภคยาพิษคือบาปอากุศลแธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันต่อไปเราก็จะดิ้นเรา่าเราอยู่อย่างนี้นะ เพราะว่าพิษเนี่ยอวิชานี้ถือว่าเป็นเป็นพิษตันหาก็ชื่อว่าเป็นพิษถ้าเรายิ่งบริโภคสิ่งเหล่านี้มากเข้าใครเล่าจากเดือดร้อนแทนเราเนี่ยนะเราก็จะเดือดร้อนไปมาย้อนดูคําอธิบายของพระหมหากัจจยนะที่ยกคาถาว่ากุศลธรรมย่อมรักษาบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมเนี่ยนะไม่ให้ไปสู่ทุคตินี้อธิบายว่า ชื่อท้าว่าธรรมะนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างคืออินทรีย์สังวรกับมัจอินทรีย์สังวรและมัจเนั่ยนะอันนี้คําว่าธรรมนะกับคําว่าทุคติทุคติมีสองอย่างคืออบายภูมิชื่อว่าทุคติโดยเทียบกับเทวดาและมนุษย์ถ้าแบ่งระหว่างเทวดากับมนุษย์นะมู่เดรฉานทั้งหลายชื่อว่าอาบายนรกเปรตอสุรกายนรกก็ชื่อว่าอบาย เทวภูมิอันเป็นที่เกิดของเทวดาก็ชื่อว่าทุกขติโดยเทียบกับพระนิพพา น, นนะเทวดาและพรมนะถ้าเทียบกับนิพพานก็ยังเรียกว่าอาบายุยังเรียกว่าไม่เจริญยังเรียกว่าเสื่อมถามว่าไปสู่อาบายแล้วกลับมาอีกไหมเออขออภัยไปสู่เทวดาแล้วยังต้องเวียนกลับมาเป็นเช่นนี้ไหมเพราะฉะนั้นนั่นก็ยังชื่อว่าไม่ดีอยู่ยังชื่อว่าทุกขติยังชื่อว่าเป็นอบายู ยังชื่อว่าไปไม่ดีอยู่ถามว่าเทวดาไปด้วยอํานาจราคะไหมไปไปด้วยอํานาจโทสะไหมไปไปด้วยอํานาจโมหะไหมไปเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะชาติที่เป็นเท้าสันดุสิตรหรือว่าเสตุเกตเทพบุตรเนี่ยท่านดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตห้าห้ารล้านนะ ประมาณนั้นอะ่ะประมาณห้าล้านปีตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยท่านมีสติดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตถามว่าเทวดาอื่นๆไม่มีสติหรืออย่างไรบอกไม่มีทำไมจึงไม่มีเขาบอกว่าเพราะถูกอารมณ์เหล่านั้นมันท่วมทับเต็มที่มันท่วมทับเพราะมันมีแต่เรียกว่าอิทธารมเนี่ยนะ อิทธารมเนี่ยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไปหมดเลยอ่ะเพราะถูกอารมณ์นี้ครอบงำจิตนี้เป็นไปด้วยกับความเมาเนี่ยนะเมาด้วยอำนาจราคะเป็นต้นแต่เท้าเสตุเกตเทพบุตรองค์นี้คือพระโพ ธ, ธิสัตว์ไม่ตกอยู่ไม่ถูกอารมณ์นั้นครอบงำท่านก็ชอบแต่ว่าไม่ถูกอารมณ์นั้นอะ่ะครอบงำประดุษบางคนก็ภริยาเขาก็รักแต่ไม่ถึงกับตกอยู่ในใต้อำนาจของ ภรยาเนี่ยนะบางคนก็รักสามีแต่ก็ไม่ถึงว่าตามใจสามีไปทุกเรื่องไปหมดนะพระโพธิสัตว์ก็ลักษณะนั้นท่านอยู่บางคนนี่ตกอยู่ในอํานาจของลูกก็มีใช่ไหมผู้ที่ไม่ตกอยู่ในอํานาจของลูกก็มีนี่ก็เหมือนกันเทพในสวรรค์เนี่ยผู้ที่ตกอยู่ใต้อํานาจของวัตถุกามนี่มีมากนะเพราะฉะนั้นชื่อว่าทุกคติเรามาแยกดูคําว่าทุกคตินะทุกบวกคตะคติแปลว่าการไป ทู่แปล ว, ว่าไม่ดีไปไม่ดีเพราะไปแล้วเป็นอกุศลต่ออารมณ์ทั้งหลายตรงกันข้ามกับคำว่าสุขติใช่ไหมสุขติก็คือไปดีทัน้ามองเทียบพระนิพพานกับสวรรค์ทั้งหลายสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าแบ่งกันแล้วก็คือมหาพูทไม่ใช่หรื อ, อ น, นะบเบื้องหลังของสวรรค์ทั้งหมดก็คือมหาพูทแต่เป็นมหาพูทที่วิจิตมหาพูททั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดขัดเครืองแล้ว ลุ่มหลงพระนิพพานตรงกันข้ามเลยใช่ไหมผู้ใดมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะจะไม่มีความกำหนัดไม่มีความขัดเคืองและไม่มีความลุ่มหลงเพราะนิพพานเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สิ้นตัญหาเป็นที่สงบประงับสังขารทั้งบวงทันสวรรค์นี้ก็ยังชื่อว่าทุกคติเพราะเราได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นเราก็ชื่อว่าไปไม่ดีก็ได้รับอิทธารมแล้วทานนกกุศลเกิดเลยไหม นันเะศีลกุศลเกิดเลยไหม ย, ยากภาวนากุศลเกิดเลยไหมอ่า น, นะก็เราเห็นเครื่องประดับของเรานะันึกถึงทานศีลภาวนาเลยไหมก็สังเกต ด, ดูกันละกันแต่งตัวปั๊บนึกถึงปฏิสังขายโยเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยผ้าเหล่านีนนะ้นึกอย่างนั้นเหรเห็นอาหารที่เราชอบที่สุดเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอาหารนี้ตรงกันข้ามหมดเลยใช่ตรงกันข้ามหมดเลย เนี่ยเห็นว่า อ, อ, อิทธารมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ทำให้เราไปทุกขติจริงๆเพราะเราไปด้วยอำนาจอากุศลในแต่ละอารมณ์ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรทำไมเราจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทำไมเราไม่ประพฤติให้เป็นสุดเจริตละ่ะทำไมประพฤติเป็นทุกจริตเล่านี่แหละเป็นผลแห่งตัณหากับอวิชชาเนี่ยนะก็เนื่องจากเรารู้สิ่ง พูดง่ายๆว่าอารมณ์นั้นๆน่ะที่เป็นอิทธารมเราไม่เคยเอามาทําปริญญาเลยไม่เคยเอามาพิจารณาโดยรอบเลยนะว่าอารมณ์เหล่านั้นเขามีสภาพเช่นไรสภาพแห่งอกุศลที่ไปติดข้องในวัตถุนั้นมีโทษเช่นไรนะนั่นที่สมุทยาทุกขาสมุทโยใช่ไหมแม้ทั้งพุทธพจน์บทนี้เราก็ก็ลืมไปว่าความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดนะหรือว่าทุกเกิดเพราะ ความเพลิดเพลินเกิดความเพลิดเพลินอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกต่อไปฉนั้นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ทำปริญญาเนี่ยเสียหายมากแล้วตัณหาของเราก็จะไปไปเพลิดเพลินในวัตถุนั้นไม่รู้จักสังสาสทีหนึ่งฉันก็ถ้ารอบรู้อารมณ์คือมหาพูดเป็นอย่างดีแล้วนยะใครที่จะไปเพลิดเพลินในมหาพูดไม่มีรอกนี่ยนะนีลองมาดูนะว่าที่เทียบว่าทุคติสองอย่างทั้งอ่ะ น, นะรบ แปลงง่ายๆว่าวัาตตในภูมิสามถ้าเทียบกับพระนิพพานชื่อว่าทุกคติบรรดาธรรมสองอย่างนั้นความเป็นผู้มีปกติกระทาไม่ให้ขาดในอินทรีสังวรชื่อว่าธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมป้องกันไม่ให้ตกไปสู่อาบาย น, นะเขาบอกว่ามีปกติประพฤติธรรมเนี่ยนะคือมีปกติประพฤติอินทรีสังวรตรงนี้เนี่ยแปลกนะถ้าเทียบกับที่อื่น สังวรนี้แปลว่าปิดแปลว่ากั้นแปลว่าห้ามเช่นปิดประตูอย่างเงี้ยนะแปลว่าปิดแปลว่ากั้นแปลว่าห้ามปิดตาหูจมูกเล้นกายใจถ้าเป็นโคปาลก็สูตรพระองค์เปรียบตาหูจมูกเล่นกายใจประดุดแผลคือรู้จักปิดแผลเป็นไม่ให้มแลงวันมาไข่ใส่ก็ค่ะถ้าเป็นโบราณนะในสูตรนั้นเขาเลี้ยงโคเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์เป็นแผลแล้วไม่ไม่ปิดแผล แมลงวันเป็นต้นมาไต่ตอมอะไรจะเกิดมันก็จะไข่ค้างลงนะนะไข่ไข่แมลงวันพอไข่เสร็จนอนมันก็ชัยเต้นไปหมดเลยนะก็เป็นแผลที่มีตัวมีนอนชอนชัยอยู่เมื่อวานก่อนดูรูปมาโหมันมันเป็นตัวนะบางทีมันเป็นพญาตเขาเอาไม้เนี่ยมาม้วนม้วนมวนออกมาดึงเหมือนเส้นคลิปเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วม้วนมวนออกอย่างเง้ยนะคล้ายกันเต๊ะเลยนะ เพราะถ้าไม่ปิดเนี่ยนะบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยก็จะไหลเข้ามาตามทวารต่างๆพ <c oughs> ันอินทรีย์สังวรถ้ารักษาดีเนี่ยจะไม่ไปสู่อาบายอย่าลืมนะถ้าถ้าเป็นสูตรอื่นๆนะถ้าเป็นสูตรที่อื่นในอาทิตตปรยายใช่ไหมอาทิตตปรยายกับธรรมะปรยายเนี่ยนะ ไม่ใช่อธิต่าปรยาสูตรที่แสดงกับชดินนะอีกสูตรหนึ่งที่เรียกว่าถ้าบุคคลถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในรูปทั้งหลายถามว่าถ้าจุติในขณะนั้นเกิดที่ไหนพง์บอกว่าเป็นไปได้ที่จะคติสองคือนรกกับเดราชันเนี่ย น, นี่ผลแห่งการถือโดยสุภนิมิต หรือปฏิฆานิมิตก็ตามถ้าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะทางทวารเสียงเออทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ในยะเดียวกันทำไมรู้ไหมเพราะว่าจุติต่อจากจุติจิตต่อจากปัญจทวารวิถีได้ไหมได้เมื่อจุติต่อจากปัญจทวารวิถีแล้วชวนะวิถีสุดท้ายเป็นอาภูสลควรจะเกิดที่ไหนก็คติสองอะนะรักกรเดราฉานเนี่ยนะ นรกกะเดราชานเพราะว่าเปรตก็เจาะส่งเคราะห์ประเภทลงเกี่ยวกับกลุ่มนรกอยู่แล้วมันก็ถ้าไม่รักษาอินทรีย์สังวรนะไปถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในระหว่างก่อนจะตายเนี่ยโอ้ถือว่าเสียหายมากนะนั้นก็รีบถือก็ถือว่าให้เสร็จจะได้รีบละในตอนหลังนะเพราทําไม่ไม่ละในตอนท้ายแล้วก็เดือดร้อนจริงๆคือในใน ถ้าใครชอบดูมหาสุทัศนสูตรเนี่ยจะเห็นชัด น, นะที่พานางสุพัทาเทวีใช่ไหมไปบอกพระเจ้ามหาสุทัศนะให้พระองค์รื่นรมเธอเมืองของพระองค์8ปดหมสี่พันเมืองนะดีใจเธออย่าตายเลยอย่าอยากตายเลยเมืองนี่มีทั้ง8ปดหมี่พันเมืองปราสาทมี8ปดหมสี่วันพันหลังนะนคร8ปดหมนสี่พัน น, ะนครสตรี8ปดหมนสี่พันนางช้าง8ปดหมสี่ันเชือกรถ8ปดหมสี่ันเชือกเป็นต้นเนี่ยนะ โอ้แต่และอย่าง แ, และอย่าง 84,000 ันหมดแปลเป็นง่ายๆใจความที่นางไปขอก็คือว่าอย่าอยากตายเลยอย่าเพิ่งตายเลยให้อยู่เถอะให้ยินดีเถอะพระเจ้ามหาสุทัศนะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอพูดดีแต่วันนี้พูดไม่ดีเนนะเพราะว่าคนที่ตายแบบนี้ตายแล้วเป็นทุกตายแบบคนอาลัยอาวรเนี่ยชื่อว่าตายแล้วเป็นทุกเนี่ยนะ ตระกตาท่านก็ทธ่บายว่าไม่ทุกได้ยังไงถ้าคิดถึงบ้านแล้วตายอะไรจะเกิดควรจะเฝ้าบ้านยังไงยิ้มวยเฝ้าบ้านแบบไหนอยู่ในสภาพไหนดีถ้าผลบุญนําเกิดก็เป็นเทวดาประจําบ้านใช่ไหมบ้านผีสิงอนะนะพูดแบบสมัยใหม่ก็เรียกว่าบ้านผีสิงนะก็มาเกิดเป็นคนเฝ้าบ้านแบบผีสิงแต่ถ้าเกี่ยวกอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้เอาบ้านนั้นเจริญกุศล น, นะเดือดร้อนแนะ่ท่านจะเป็นอะไรดี อะไรบ้างที่มันอยู่ในบ้านนะเมื่อคือบางแห่งเนี่ยนอนดังข้างบนหลังเพดานนี่อะไรหนู <c oughs> ตุ๊กแกจิงจกมดปลวกนั่นนะสารพัดอะน ะ, ส า, ส, นะนะสามารถที่เป็นได้หมดนะนะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปคน้คนดูแต่ว่าอย่านึกว่าไม่ใช่อายภูมินะแต่ละแห่งแต่ละแห่งอย่านึกว่าไม่ใช่อายภูมิถ้ามีภาพบ้านที่เราโปรดปรานที่สุดเป็นอารมณ์นะ ก, ก็คิดนะว่าแต่ละคนเนี่ยทำมาหากินก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งในชะ่ไหมเอาไหมล่ะถ้ามีบ้านหลังนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายอย่างนะแสวงหามาตลอดชีวิตเนี่ย น, นะหรือเอาไหมล่ะถ้าบางคนสแสวงหารถมาตลอดชีวิตมีรถคันนั้นแหละเป็นอารมณ์สแสวงหาเครื่องประดับมาตลอดชีวิตถ้ามีเครื่องประดับเหล่านั้นเป็นอารมณ์นะก็เหมือนกับในใครอ่านชาดกมาบางแห่งจะเห็นว่าอดีตท้าสาริบุตรพโมกขลานะก็ยังเคยเกิดเป็น หนูเป็นงูเป็นต้นเฝ้าขุมทรัพย์พรไหนพะตายเนี่ยก่อนจะตายเป็นขึ้นหาบดีนึกถึงขุมทรัพย์เนี่ยนะถามว่าถ้าเรานอนคิดถึงตัวเลขในธนาคารนี่ควรจะเกิดที่ไหนดีพอมาไม่รู้ด้วยนะพอมาไม่มีอย่างนั้นหรอกตังคก็ถ้าถือโดยนิมิตรอนุพยัญชนะเนี่ยระวัง ถ, ถ้าไม่มีอินทรีย์สังโวีนเลยนะคือคือถ้าเราไม่คิดว่าเราจะตายเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีโทษหรอก ถ้าการเพลิดเพลินในอารมณ์การไปติดไปข้องในทวารต่างๆเนี่ยนะทวารตาทวารหูเนี่ยถ้าไม่คิดจะตายเนี่ยดูไม่มีโทษอะไรเลยแต่ถ้าคิดจะตายแล้วนะเมื่อวานยังคุยกับยมคนหนึ่งว่านี่นะถ้าสมมติเอายกตัวอย่างาผู้กาเนี่ยผู้กาเนี่ยเกิดชาติหน้าสมมตินะจุติจากชาตินี้แล้วไปเกิดชาติหน้า แล้วระลึกชาติได้มานะถามมาลูกหลานเขาจะต้อนรับเชื้อเชิญเท่ากับเหมือนชาตินี้ไหมเอาไหมคิดว่าเขาจะต้อนรับเชื้อเชิญเลยนะดีแล้วคุณพ่อมาเถอนะให้มาอยู่ตำแหน่งเดิมนี่แหละคิดว่าญาติเขาจะยอมขนาดนั้นหมอ๋อนะมรดกพี่นายกรรมนั้นหลังอย่างนั้นมาเซ็นงานต่อไปอีกเนี่ยนะเขาจะยอมไหมไม่ยอมทั้งๆที่ระลึกชาติได้นะเล่าบอกถูกทั้งหมดเลยเนี่ยนะเพราะมันเปลี่ยนสายเลือดไปแล้วเรื่องนี เปลี่ยนกรรมที่มานําเกิดไปแล้วโดยที่สุดมั น, ม, นมันก็เป็นอย่างนี้แหละวตตะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้จริงๆหรือสมมุติว่าพระราชามหากษัตริย์ท่านสวรรคตรไหมเกิดมาใหม่แล้วละเลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วท่านเป็นพระราชาเขาจะยกให้ขึ้นแท่นต่อไปไหมไม่ยอมเพราะจะรู้ว่าพวกนี้มันก็เป็นเช่นนี้แหละวัตถุทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละมันไม่ใช่ของใครอย่าง อย่างแท้จริงฟันถ้าเราไปถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะไม่คิดจะออกก็จะได้เฝ้าพวกนั้นเลยแต่จะเฝ้าในสภาพไหนอีกเรื่องหนึ่งละเขาบอกว่าถ้าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะสรุปว่าวิถีสุดท้ายนะหมายความว่าตายในปัญจทวารวิถีชาวนาหดวงสุดท้ายเป็นอากูสล12อันใดอันหนึ่งนะพอจุติจิตเกิดปฏิสนที่อันใหม่จะเป็น ทุคติอย่างเดียวจะเป็นอบายอย่างเดียวพันาะไม่ฝึกรับอารมณ์ในทวาร6ให้เป็นกุศลนะถือว่าเสี่ยงมากๆเลยอันตรายจริงๆเกิเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในหลักอธิธรรมก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีปัญจทวารวิถีชาวนะหดวงสุดท้ายนั้นนะ่ะถ้าเป็นอาคุศล12อบายอย่างเดียวทีนี้ถามว่าเอางั้นสัตว์ทั้งหลายก็ไปอาบายกันหมดสิ ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าคุณเดินสัมรวมสักนิดหนึ่งนะดูที่เท้าดีๆเนี่ยนะอย่าไปเดินดูใครมากนักอ่านะดูลงล่างๆดูสัมรวมจริงๆนะเป็นพิจารณาละเอียดดูต้นไม้ก็ดูถึงกิ่งถึงก้านดูถึงเปลี่ยกถึงกระพี้เนี่ยนะจะดูว่าอบายทั้งนั้นเลยถ้าดูพื้นดินก็ดูให้มันลึกเป็นคืบๆสิจะเห็นว่าไส้เดือนทั้งนั้นเลยนะดินดำๆนั้นอะไส้เดือนนักแลยพอมาขุดสายเบ็ดมาเป็นถังแล้วนั่นนะ